สถานีวิลกรามกรัวข่าวสตอร์รเอฟเอ็มร้อกับาพเาพระมหาภายัยบูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนนาโศกกลับมาพบกับธรรมบุฟังอีกวาระหนึ่งนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ธรรมบุฟังได้ฟังกันแน่นอนว่าในสังสารวัตที่เรามีชีวิตอยู่เนี้ยรรมุฟังสุขก็มีทุกข์มีบาทีเราก็ได้ เจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งดูเหมือนกับว่ามันแหม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็มีนิทานคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนเอาไว้แต่วันนี้ก็นําเรื่องราวที่เป็นนิทานคําสอนในเรื่องของธรรมบทที่เป็นหลักสูตรในการเรียนภาษาบาลีที่พระที่เรียนภาษาบาลีเนี่ยเขาจะได้เรียนเรื่องราวพวกนี้กันแต่วันนี้นําเรื่องราวของคนที่ไปทําร้ายคนอื่น คนที่ทำร้ายคนอื่นที่เขาไม่ได้มีพิษมีภัยแล้วจะมีผลที่เกิดขึ้นกับผู้กระทํานั้นเป็นความไม่ดี น, นี้จะได้นําเรื่องราวนี้มาให้ฟังในเรื่องราวแรกนี้ก็เป็นเรื่องของในบาลสุนัขคนหนึ่งก็คือไปล่าเนื้อก็มีสุนัขที่ตัวเองเลี้ยงไว้ไปด้วยในขณะที่กําลังไปล่าเนื้อก็เดินสวนกับพระภิกษุที่เข้าไปบิณฑบาตก็คิดว่าแม่ฉันจะไปฆ่าสัตว์ เจอคนที่บอกไม่ฆ่าสัตว์ก็รู้สึกว่าเป็นกาละกิณีขึ้นมา แ, แล้วก็จริงๆได้ไปฟังไปหาล่าเนื้อนั้นก็ไม่ได้เจอเนื้อสัตว์ที่จะล่าได้เลยแต่เดินสวนกลับมา ก, ก็เจอคณิกก็เลยทําร้ายพระภิกษุองค์นั้นน แ, แกล้งท่านให้เกิดความที่หมายต่างๆเรามาฟังเรื่องราวของนายปราณสุนักชื่อโกะจะรายละเอียดเป็นอย่างนี้ได้ยินว่า เวลาเช้า ว, วันหนึ่งในปราณนั้นถือธนูมีชุนักห้อมล้อมออกไปป่าพบพิสุถือบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทในระหว่างทางมีความโกรธแล้วพลางคิดใบร์ว่าเราพบคนกาลกันนีคือกาลกินีในวันนี้ จะไม่ได้สิ่งอะไรเลยเหนนี้ก็เลีกไปฝ่ายพระเถระเที่ยวบินบาตในหมู่บ้านทําพัตกิจเสร็จแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีกฝ่ายในปราณ น, นั้นเที่ยวไปในปา่าไม่ได้อะไรอะไรเมื่อเดินกลับจากปา่าก็มาพบพระเถระนั้นอีกจึงมีความคิดขึ้นมา ก็ในวันนี้เราได้พบคนกาละกันนีนี้แล้วไปป่าจึงไม่ได้อะไรอะไรบัด น, นี้เธอได้มาเผชิญหน้าของเราแม้อีกเราจะให้สุนักทั้งหลายกัดพระรูปนั้นเสียดังนี้แล้วจึงให้สัญญาณปล่อยสุนักไปพระเทระอ่ อ, อนวอนว่าอุบาสกท่านอย่าทำอย่างนั้น นายปรานจึงพูดว่าวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อะไรเพราะมาประสบท่านท่านก็มาประสบข้าพเจ้าแม้อีกข้าพเจ้าจะให้สุนักกัดท่านหนังนี้แล้วจึงให้สุนักกัดพระเทระจึงรีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็วนั่งในที่สูงชั่วบุรุษหนึ่งสุนัขทั้งหลายก็พากันห้อมล้อม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 รับแทงกระนำใหญ่พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหนึ่งถูกแทงอยู่จึงยกเท้าข้างนั้นขึ้นยนเท้าข้างที่สองลงแม้เมื่อเท้าข้างที่สองนั้นถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้นเสียนายโกกะไม่กคำนึงถึงคำอ้อนบอลของพระเถระแทงพื้นเท้าทั้งสองแล้วด้วยอาการอย่างนี้เดียว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 กิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งคว้างสุนักเหล่านั้นเราสุนักเห็นพระเทระแล้วรือว่าพวกตัวกัดกินเจ้าของของตัวเองจึงหนีเข้าป่าตอนพระเทระสงสัยในศีลและสมณภาพของตนพระเทระเกิดความสงสัยขึ้นว่ารุษนั่นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเรา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 สมณภาพของข้าพระองค์ยังคงมีอยู่แล้วหรือพระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระเทระนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างร้อยสมณภาพของเธอยังมีอยู่เขาประตุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประตุสษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งไมิใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้น แม้ในอดีตการเขาก็บตรทุสร้ายต่อผู้ไม่บตรทุสร้ายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันนันนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสว่าตอนบริพกรรมของนายปราดดังได้สะดับมาในอดีตการหมอผู้หนึ่ง เที่ยวไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อต้องการประกอบเวชกรรมแต่ไม่ได้กรรมอะไรรอันความหิวรบกวนแล้วออกไปพบเด็กๆเป็นอันมากกำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้านจึงมีความคิดว่าเราจะให้งูกัดเด็กเหล่านี้แล้วรักษาก็จะได้อาหารอย่างนี้แล้วจึงแสดงงู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 งูรัฐก้านคอของหมอกัดยางถนัดให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองในโกกะพรานสุนักนี้แม้ในการกรนก็ประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วอย่างนั้นเหมือนกันประสาสดาทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงรามจึงตรัสพระคถานี้ว่าโยอัปปทุท An ัสสะนัสสะทุสติสุทธัสสะโปสัสสะอนังกนัสะตะเมวะพาลังปเจติปาปังสุขุโมระโชปฏิวาตังวะกิโต ผู้ใดประทุสร้ายต่อนราชนผู้ไม่ประทุสร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเนินบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนผ่านนั่นเองเหมือนทุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นในการจบเทสนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในพระอาราาธผลประธรรมเทศนาได้มีประโยชน์ แม้แกบริษัทผู้ประชุมกันแล้วนั่นนี่แหละเรื่องในปราณสุนักชื่อโกกะจบคำตามสนองท่านผู้ฟังพูดง่ายๆในเรื่องนี้คนทำสิ่งไม่ดีไว้ก็เจอสิ่งไม่ดีตอบแทนไปยังมีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องนี้กิบว่าท่านผู้ฟังอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังมาด้วยเป็นเรื่องของนางจินจักมานวิกาที่ได้ไปใส่ร้าย ป้ายสีพระพุทธเจ้าอยู่ใน่้มกลางธรรมสภาในวัดเชตวันแต่ซึ่งนางคนนี้ก็ในที่สุดก็ถูกธรณีสูบเรามาฟังเรื่องของนางจินจะมานวิกาในประถมโพธิการเมื่อสาวกของพระโทสปลมีมากหาประมาณไม่ได้พวกเตียวดาและมนุษย์ยังลงสู่อริยภูมิ เมื่อการเกิดขึ้นแห่งพระคุณของพระศาสดาแผ่ไปลาบสาการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้วพวกเดรรีเป็นผู้เช่นกับแสงหิ่งห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นผู้เสื่อมลาบสาการะพวกเดรรีเหล่านั้นยืนในระหว่างถนนแม้ประกาศให้พวกมนุษย์รู้แจ้งอยู่อย่างนั้นว่า พระสมณโคดมเท่านั้นหรือเป็นพระพุทธเจ้าแม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดมเท่านั้นหรือมีผลมากทานที่เขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกันท่านทั้งหลายจงให้จงทาแก่เราทั้งหลายบ้างดังนี้ก็ไม่ได้ลาบส ก, กราระแล้วจึงประชุมคิดกันในที่ลับว่า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 เหมือนนางเทพอับสอนฉะนั้นรัศมีย่อมเปล่งออกจากสรีรักของนางนั้นตอนนางจินจะมานวิการับอาสาพวกเดริีลำดับนั้นเดรศีผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายอาศัยนางจินจะมานวิกาพึงยังโทษให้เกิดขึ้น แกพระสมณโคดมทำลาบสักการะให้ชิบหายได้เดรตีเหล่านั้นรั บ, บรองว่าอุบายมีอยู่ต่อมานางจินจาในวิการนั้นไปสู่อารามของเดรตีได้ไหว้แล้วก็ยืนอยู่พวกเดรตีไม่พูดกับนางนางจึงคิดว่าเรามีโทษอะไรเนาะแล แม้พูดครั้งที่สามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันไหว้ท่านดังนี้แล้วจึงได้พูดกับพวกเดรจีว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันมีโทษอะไรหน้อแลเพราะเหตุอะไรท่านทั้งหลายจึงไม่พูดกับดิฉันเดรจีน้องหญิงเจ้าย่อมไม่ทราบถึงพระสมณโคดมผู้เบียดเบียนเราทั้งหลาย เที่ยวทำเราทั้งหลายให้เสื่อมสการ g รึนางจินจ่าบันวิกาที่ฉันยังไม่ทราบเจ้าค่ะก็ในเรื่องนี้ที่ฉันควรทำอย่างไรเล่าเดรตีน้องหญิงถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายใช่จงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคโรมแล้วยังลาบสการะให้ชิบหายเพราะอาศัยตน นางจินจามานวิกาจึงกล่าวพิณว่าดีละ่ะพระผู้เป็นชาติทั้งหลายข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเองท่านอย่าได้ต้องคิดเลยนังนี้แล้วนางก็จึงเหล่งไปห่มผ้ามีสีดุดแปลงข้อมทองมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือมุ่งหน้าตรงพระเชตวันไปอยู่ในสมัย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 ประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่เราอยู่ก็โดยการล่วงไปหนึ่งถึงสองเดือนเมื่อถูกถามจึงกล่าวว่าก็เราอยู่ในพระคันธ ก, กุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมในพระเชตวันนางได้ยังความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่ปุถุชนทั้งหลายว่าข้อนั้นจริงหรือไม่นอก็เมื่อโดยการล่วงไป3ถึงสเดือน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 แสดงอาการบวมขึ้นมีอินทรีย์บอบช้ำเมื่อพระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรมบนธรร ม, มาทิ่ประดับแล้วในเวลาเย็นนางก็ไปสู่ธรรมสภายืนตรงพระพักของพระตถาคตแล้วได้ดาพระตถาคตในท่ามกลางบริษัทเหมือนจับก้อนคูดป่าดวงจันดาด้วยคำว่ามหาสมณะ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 อุปถาคนใดคนหนึ่งคือพระชาโกศลหรืออนาถาบินทิกะหรือนางวิสาขามาหาอุบาสิกาให้ท่านเหล่านั้นทากิจที่ควรทำแก่นางจินจามานาวิกานี้พระองค์ทรงรู้แต่จะอภิรมเท่านั้นไม่รู้จากกันบริหารพระตถาคตทรงพักพระธรรมกถาแล้วเมื่อจะทรงบลือเยี่ยงสีห์จึงตรัสว่า น้องหญิงความที่คําอันเจ้ากล่าวแล้วจะจริงหรือไม่เราและเจ้าเท่านั้นย่อมรู้อย่างนั้นแหละมหมาสมะนะก้อนนั้นเกิดโดยความที่ท่านและฉันทราบแล้วก็ในขนาดนั้นเองอาสนะของเท้าสังกะแสดงอาการร้อนแล้วเท้าเธอทรงใกรครวอยู่ก็ทราบว่านางจินจามานมิกา ย่อมด่าพระตาโคตด้วยคำไม่เป็นจริงซึ่งทรงดำริว่าจะจํำระเรื่องนี้ให้หมดจดทาวสักกะจึงเสด็จมากับเทพระบุตรสี่องค์เทพระบุตรทั้งหลายแปลงกายเป็นลูกหนูการเชือกที่ผูกท่อนไม้กลมด้วยการแทะทีเดียวเท่านั้นลมพัดเลิกผ้าห่มขึ้นไม้กลมพลัด ตกลงบนหลังเท้าของนางจินจะมานาวิกานั้นปลายเท้าทั้งสองข้างแตกแล้วมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นจึงพูดว่าแน่ ä, นางกาลกันนีเจ้าดาพระสมาสัมพุทธเจ้าเขาทั้งหลายจึงถ่มเคละคือน้ำลายลงบนศีรษะมีมือถือก้อนดินและต้นไม้ชุดลากออกไปจากพระเฉดวันตอน นางจินจะมานวิกาทูกแผ่นดินสุกระในเวลาที่นางล่วงคลองแห่งพระจักสุของพระพุทธเจ้าไปแผ่นดินใหญ่แตกแยกเป็นช่องให้แล้วเปลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจีนางจินจามานวิกานั้นไปเกิดในอเวจีเป็นเหมือนห่มผ้ากาปลที่ตรกูลให้ลาบส ก, การะ ของพวกเดรัีเสื่อมแล้วแต่กลับเจริญแก่พระทศพลโดยประมาณยิ่งพระศาสดาครั้นทรงประกาศเนื้อความนี้แล้วได้ตรัสว่ามิกษุทั้งหลายก็ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมอันบุคคลผู้ละคำสัตว์ซึ่งมีทำอย่างเอกแล้วตั้งอยู่ในมุสาวาตผู้มีประโลกอันสลาดแล้ว ไม่พึงทำย่อมไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าเอกังธรรมังอติตัสสะมุสาวาทิสะชันตุโนวิตินะ巴拉โลกาสะนัตีปาบังอาการียังแปลว่าจนผู้ก้าวล่วงทมอย่างเอกเสียผู้มักพูดเท็จ ผู้มีประโลกอันล่วงเลยเสร็จแล้วไม่พึงทำบาปย่อมไม่มีตอนแก้อัดนบ น, นาคำเหล่านั้นคำว่าเอกังทำมังแปลว่าทำอย่างเอกนั่นคือซึ่งคำสัตคำว่ามุสาวาทิสะแปลว่าพูดเท็จหมายความว่าบนาคำพูดสิบคำคำสัตแม้สักคำหนึ่ง ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอันผู้เห็นบานนี้ชื่อว่าผู้มักพูดเท็ในเวลาจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาบฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องนางจินจะมานวิกาจบบุคคลที่ถูกตระณนีสูบในสมัยพุทธกาลในตะบูฟังก็มีอยู่ไม่กี่คน นางจินจามาในวิการนี่ก็เป็นคนหนึ่งจเจ้าสุปาพุทธา น, นิคือคนที่2องเทวทัตา น, นิคือคนที่3แล้วก็ยังจะมีอีก2หรือ3คนนี่แหละในที่ถูกตรณีสูบในสมัยพุทธการมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปไว้ตอนตายตรง น, นี้บอกว่าคนที่ทําชั่วด้วยการพูดเท็จเป็นต้นเนี่ยใจเขาจะก็จะน้อมไปในทางชั่วละ่ะแล้วก็จะทําความชั่วอย่างอื่นๆได้แต่ น, นี้คือเราจะเห็นได้ชัดละ ในปัจจุบันนี้ก็มีนะคือคนที่ไม่ได้ช่วยอย่างเดียวละมันจะช่วยอยู่หลายอย่างการทำความช่วยอย่างอื่นก็จะตามมาได้ในเรื่องของการที่ถูกคนอื่นใส่ร้ายใส่ความถูกการนินทา น, นี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทั้งฝั่งไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นที่โดนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็โดนถูกคนอื่นก็นินทาแต่บางทีเราทําดีดีดีแสนดีก็ก็ยังนินทาวะทำดีเกินไปแต่บางที่เราทํ า, ท า, ท ก, า, ทาทก็ไปอย่างนั้นอย่างนั้น ก็ยังนินทาเราได้ในะเรื่องสุดท้ายที่จะให้ได้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการนินทาเนี่ยท่านผู้ฟังพระเจ้าได้สอนอุบาสกคนหนึ่งชื่ออัตุละนะที่ไปฟังเทศนะพระเทศมากเกินไปกว่านินทาพระเทศน้อยไปกับนินทาพระเทศพอดีพอดีกับยังนินทานะนำมาฟังเรื่องของนายอัตุระนี้กันเรื่องอตุละอุบาสกความพิสดารว่า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 แสดงอภิธรรมอย่างเดียวมากมายพวกเราต้องการอะไรด้วยพระอภิธรรมนี้ดังนีน้แล้วก็ได้พาบริษัทของตนไปยังสำนักพระอนนเทระแม้เมื่อท่านพระอนนเทระถามว่ามีอะไรหรืออุบาสกอตุลาจึงได้กล่าวว่าท่านก็รับพวกผมเข้าไปหาพระเรวตาตติระเพื่อต้องการฟังธรรม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 แม้ต่อพระอนุตเตระนั้นเราก็ได้ไปยังสำนักพระศาสดาถาวายบังคมแล้วนั่งอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งลาดั บ, บ, บนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสกับพวกเขาว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านมาที่นี่ทําไมกันพวกอุบาสกเพื่อต้องการฟังธรรมพระเจ้าพระศาสดาก็พวกท่านฟังธรรมแล้วหรือพวกอุบาสก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 แสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนักพวกข้าพระองค์โกโรธแล้วแม้ต่อท่านพระอนตนจึงได้มาในที่นี้ตอนการนินทาสรรเสริญเป็นของเก่าพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของเก่าแล้วจึงได้ตรัสว่าอตุลาข้อนั้นเขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียวชนทั้งหลายติเตียน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 ผู้อันบันดิตสรรเสริญแล้วชื่อว่าเป็นอันสรรเสริญหนังนี้และได้ทรงภาศิทธิพระคถาเหล่านี้ว่าโปราณเมตังอตุละเนตังอจตะนามิวะนินทันติตุนหิมาสีนังนินทันติพระหูพาณินังมิตะพาณิมปินินทันติ น, น, ต น, น, น ท, นนะทิโลเก อนินทิโตนะจาหุนะจะพระวิสตินะเจตระหิวิชติเอกันตังนิธิโตโปโซเอกันตังวาปะสังสิโตยันเจวิญโยปะสังสันติอนุวิจจะสุเวสุเวอจินทะวุตติมทาวิงปัญญาสีละ สมาหิตังเนคขังชัมโพทนสเสวะกตังนินทิตุมรหาติเทวาปินังปะสังสันติพระมุนาปิปะสังสิโตแปลว่าอตุระการนินทาและสรรเสริญนั่นเป็นของเก่านั่นไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้ชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้าง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 ซึ่งมีความประพฤติไม่กา่่ายมีปัญญาเป็นผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู้นั้นผู้เป็นดังแท่งทองจมพูนุตแม้เตวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วดังนี้ตอนแกะอัดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโปราณะเมตังแปลว่านั่นเป็นของเก่า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 คือเกิดขึ้นเมื่อตะกี้ก็หาไม่ได้อธิบายความว่าจึงอยู่คนทั้งหลายย่อมนินทาคนนิ่งว่าทำไมคนนี้จึงนั่งนิ่งเหมือนคนใบ้เหมือนคนหูหนวกเหมือนไม่รู้อะไรอะไรสิเลยดังนี้บ้างย่อมนินทาคนพูดมากว้าทำไมคนนี้จึงประพฤติเสียงกระตากระตะเหมือนกับใบตานถูกลมพัด คำพูดของผู้นี้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้บ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณว่าทำไมคนนี้จึงสำคัญคำพูดของตนเหมือนทองคำและเงินพูดคำสองคำแล้วก็นิ่งเสียดังนี้บ้างคนชื่อว่าไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกนี้แม้โดยประการทั้งปวงด้วยประกันอย่างนั้นส่วนคำว่านะจาหู แปล ว, ว่าไม่ได้มีแล้วหมายความว่าไม่ได้มีแล้วในอดีต ท, ทั้งจะไม่มีในอนาคตในการจบเทศนาอุบาสกเหล่านั้นทั้ง500้ําำรงอยู่แล้วในโซดาปฏิผลนังนี้แหละเรื่องอตุละอุบาสก